เมื่อต้นปีนะมีคำพยากรณ์มากมายเมื่อเมษาน้ำจะท่วมภาคกลางกรุงเทพแต่มันก็เลื่อนมาพฤศภายังไม่ท่วมซะ ท, ทีพวกเราอย่าคี่ลืมเม่งนเราจะตื่นข่าวไปเรื่อยเยโดนเขาก็บอกเมื่อนั้นเมื่อ น, นี้ให้เรากลุ้มใจธรรมดาก็กลุ้มอยู่แล้ว ไม่ได้ว่าหมอดูนะบางทีข้อมูลมนะันทำให้เราเครียดเยอะๆยเลยทุกวันนี้ข่าวสารที่ทำให้เครียดข่าวสารบางทีก็ออกมาจากเขาหวังดีจริงๆบางทีเขาก็อยากดังผลที่เกิดขึ้นทำให้เราเครียดมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นงั้นเวลาฟังแนละ้ว ฟังหูไว้หูโบราณสอนดีที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่ฟังไม่ฟังเลยก็ประมาทนะฟังเราเชื่อเลยก็โง่ฟังหูไว้หูดีที่สุดตั้งสติทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารเต็มไปหมดเลยมีคนเขาวิจัยบอกว่าพวกเรานะคนยุคเราเนี่ยในเวลาสามวัน เรารับข้อมูลข่าวสารถ้าแบบคนอายุทยาทั้งชีวิตเลยจะเป็นงานวิจัยทางวิชาการเลยคนเลยเครียดเยอะปัญหาเยอะความทุกข์เยอะ เ, ยเนี่ยว่าสำลักข่าวนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยทำงานสภาความมัน่นคงเวลาทำงานเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคือข่าว เช็คข่าวตรวจข่าวซอบข่าวเช้าขึ้นมาก็หิวข่าวไม่ใช่หิวข้าวหิวข่าวดึกดึกก็ต้องมีข่าวอะไร่เงี้ยได้รู้ว่าบางทีการรับข้อมูลนะถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีไว้เรารับทุกครั้งที่รับผัสสะมันก็ตกตะกอนเข้ามาในใจเราเสมอแหละ กระทั่งดูโฆษณานะในใจยังมีตะกรอนเลยถ้าดูเป็นนะมองเห็นไหมเห็นโฆษณานี้ยอยากได้ใจก็ขุนละนโฆษณาอันเนี้ยไม่ชอบใจก็ขุนเห็นชอบโฆษณานี้ขขำดีใจก็ขุนนะงั้นเวลามีผัสสะทีไรความทุกข์มักจะตามหลังมาถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดี ยิ่งถ้าเราขี้ตื่นขี้ตกใจนะโอ้ยแย่เลยตอนหลวงพ่อเด็กๆ เ, เคยกลัวนะตอนเด็กๆมันมีครั้งหนึ่งดาวพระเคราะห์เนี่ยมันมาอยู่ในแนวเดียวกันห้าดวงแต่ น, นั้นหลวพ่ อ, อยังเด็กๆ เ, เลยเขาทายเลยว่าโลกจะแตกมีทั้งนักการาศาสน า, สาศาสนาอื่นด้วยนะไม่ใช่าศาสนาพุทธแล้วแล้วก็โทราศาสตร์นะ ไทยกันโลกจะแตกเกิดวิบัติภัยเกิดโน่นเกิดนี้เยอะแยะไปหมดเลยตอนเด็กๆเรา ก, กลัวนะกลัวโลกจะแตกกลัวดาวจะชนโลกอะไรอย่างนี้ต่อมาพอโตขึ้นมันมีข่าวแบบนี้บ่อยๆเนฉะยๆทุกวันนี้ถ้าดาวหางจะชนโลกหลวงพ่อก็ไม่ว่าดาวหางเนละไม่เป็นไรเราไม่ต้องมีชีวิตยืนยาวเป็นร้อยปีก็ได้นะถ้าเรามีชีวิต สั้นๆแต่มีประโยชน์เลมีชีวิตที่ไม่เป็นหนี้มีชีวิตที่มีประโยชน์ถ้าเรามาฝึกจิตของเราเนี่ยเราจะไม่ต้องชีตื่นกับข่าวทั้งหลายเนี้ยเราตื่นทุกวันนี้เครียดไหมฟังเรื่องการเมืองเชื่อไหมว่าหลังเลือกตั้งจะเกิดสันติภาพในประเทศไทยไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครเชื่อเลยมีความหวังอะไรบ้างหลังการเลือกตั้ง ทำตาปลิบๆนะน่าสงสารมากเลยโลกเันอย่างนี้นะโลกเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้หรอกชีวิตเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะมีสติอยู่กับปัจจุบันนะดีที่สุดละเรามีวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วล่ะถ้าคนไหนวางใจได้ถึงอย่างที่หลวงพ่อบอกนะว่าเรามีชีวิตอยู่วันนี้ก็ดีแล้วเนี่ยนะ เราจะไม่กลุ้มใจมากก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ชีวิตเราพอละเราดีละเป็นบุญแล้วที่เราได้เป็นควรเป็นบุญแล้วที่เกิดมาได้เจอศาสนาพุทธเป็นบุญแล้วที่ได้สนใจฟังธรรมะเป็นบุญแล้วที่ฟังธรรมะแล้วปฏิบัตินะถ้าบุญหนักกว่านั้นก็คือมีผลของการปฏิบัติไปเป็นขั้นตอนเป็นลาดับไปเราเคยเป็นคนทุศีลวันนี้เรามีศีลขึ้นมาชีวิตเราไม่ขาดทุนละ เราเคยเห็นแก่ตัวเราลดละความเห็นแก่ตัวลงไปนี่ชีวิตเราไม่ขัดทุนเราเคยแต่ฟุ้งตามโลกตามกิเลสตลอดเลยเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราอยู่ในความสุขความสงบอยู่กับธรรมะจิตใจสงบมีความสุขนี่ชีวิตก็ไม่ขัดทุนเราได้เห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมหันแยกธาตุแยกขันธ์เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนหนึ่ง อันนี้ยิ่งไม่ขัดตุนใหญ่เลยถ้าได้มากได้ผลก็กำไรมากถ้าได้แยกธาตุแยกขันธ์ก็กําไรแล้วละเพราะว่าในโลกนี้ไม่ค่อยมีใครแยกธาตุแยกขันธ์เป็นะคนทําสมาธิเป็นมีในศาสนาอื่นก็มีแต่ที่จะพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามันมีตัวมีตนได้ไมันมีแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าะสังสารวัฏยาวไกลถ้าชาตินี้เราแยกธาตุแยกขันธ์เป็น ตายก็ไม่น่าเสียดายหรอกชาติต่อไปการภาวนาจะง่ายมากเลยแค่มีอะไรทําให้เราตกใจตอนเด็กๆนะจิต่อถอดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็จะเห็นขันนั้นทำงานไปอาจจะภาวน า, นามไม่ยากได้ผลเร็วพวกเราก็ฝึกเอาชีวิตจะได้ไม่ขัดทุนแล้วเราเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองนะแต่เรารู้สึกชีวิตเราไม่ขัดทุนแล้วเนะี่ย จะเป็นจะตายมันยังไม่น่ากลัวเลยน้ําท่วมก็อย่างนั้นงั้นน่ะน้ําท่วมอย่างมากก็อดตายหรือจมน้ําตายจมน้ําตายก็ไม่ทรมานเท่าไหร่นะใช้เวลาห้านาทีเท่านั้นแหละขาดออกซิเจนห้านาทีก็หมดความรู้สึกอย่าไปโดดน้ําตายนะไม่ใช่สอนหลักสูตรโดดน้ําตายนะ <c oughs> จริงๆถ้าคนเราตายตามธรรมชาตินีนไม่ทรมานมากหมอนั่นแหละทําให้เราทรมานมากกว่าเก่า คนไข่จะตายเนะื้อยื่อให้มันทรมานเล่นงี้ยรู้รักษาไม่ได้นะโดยสัญชาตญาณหมอสู้คนไข้ก็มีชีวิตที่ทรมานมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่รู้จะมีไปทําอะไรเดี๋ยวนี้ก็ยังดีเขาให้สิทธิให้คนไข้เลือกได้ใช่ไหมออย่างหลวงพ่อใครอย่ามาเสียบอะไรเรานะอืบอกไว้ก่อนไม่จําเป็น เมื่อเรามาฝึกตัวเองนะฝึกใจให้ดีมีชีวิตที่มีสติอยู่กับปัจจุบันชีวิตเรานะั้นมีวันเดียวก็คุ้มค่าแนละ้วที่ได้เกิดมานะมีสติมีใจตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีพระสตูตรอยู่อันหนึ่งชื่อพัทธเกรา ต, ตัสนสะูตรมีชีวิตอยู่ราตรีเดียวก็พึงชมมีชีวิตแค่คืนเดียวหมายถึงวันเดียวนะั่นแหละนะสัมพนนแขกมีชีวิตวันเดียวก็พึงชม มีชีวิตของคนซึ่งมันมีสตินั่นเองชีวิตที่ขาดสติหลงโลกไปหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนฝันฝันเหมือนไม่ได้มีจริงไม่มีคุณค่าอะไรหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ชีวิตที่มีสติเป็นชีวิตที่มีคุณค่าถ้าเราลองมีชีวิตที่มีสติทั้งวันหนึ่งนะเราจะกลัวตายน้อยลงเราจะรู้สึกกันไม่ขาดทุนนะชีวิตนี้ได้ทาสิ่งซึ่งอัศจรรย์อย่างยิ่งเลยทาไมแค่มีสติก็อัศจรรย์ คนในโลกไม่มีสติคนในโลกไม่ค่อยมีสติมีสติก็สติพื้นๆสติธรรมดาสติธรรมดานี่มีในศาสนาไหนๆก็มีนะในสัตว์ก็มนะีหมายถึงจิตที่มันเป็นกุศลขึ้นมาสัตว์รู้จักทําทานเคยเห็นไหมสัตว์รักษาศีลเคยเห็นไหมหลวงพ่อเคยมีหมาตัวหนึ่งนะตอนนั้นยนินหลวงพ่อยังเรียนอยู่จุฬาเห็นหมาออกลูกมา ตัวกลมๆน่ารักดีอุ้มไปบ้านตัวหนึ่งลืมขอแม่มันเนี่ยมีบาปอยู่มีอุ้มลูกหมาไปตัวหนึ่งแต่ว่าหมาตัวนี้เลยอายุยืนยาวนะหมาที่จุฬาอายุสั้นกว่า น, นั้นหมดเลยแล้วก็ภูมิใจหน่อยนึงมันคงไม่บาปมากนะเอาลูกหมามาทําให้มันมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นหมาตัวนี้หมาผู้หญิงหมาตัวเมียวันหนึ่งมันออกลูกมันมีลูกนะ ให้ลูกกินนมมันมีลูกหมาแบบซัดเซพเนจอดมาจากไหนมันให้กินนมด้วยนะมันให้กินนมด้น่าทึ่งมากเลยเวลามันจะกินข้าวเราเอาข้าวใส่จานให้มันนะแล้วก็มันมีแมวมีอะไรเงี้ยแมวจะมากินข้าวมันให้กินก่อนนะแล้วเหลือแล้วมันค่อยกินล้วก็ดูมันเป็ดเลยของมันโอ้มันรู้จักทำทานนะ มันแน่จริงตัวนี้หมาตัวเนี้ยถือศีลไม่เคยกัดสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มีเลยนี่มีศีลข้อหนึ่งดีไม่เคยทําร้ายใครหมาตัวนี้ไม่เคยขโมยเอาของวางไว้นะอยากกินน้ําลายยืดนะก็ไม่เอาต้องใส่จานให้นี่ไม่ขโมยส่วนประพฤติผิดในการมรับรองไม่ได้ไม่ได้รู้ตลอดหมาตัวนี้ไม่มูสานี่เงียบๆไม่เห่าส่งเด็ด เคยเจอหมาเห่าส่งเด่นไหมหเหาไปเรื่อยๆนะเนี่ยพวกหมามุส่าหมามุสาอย่างนี้ก็คือหมาพูดมากหมาพูดวันนี้พูดเรื่องหมานะไม่ได้พูดเรื่องโยมบอกหมาตัวนี้มีสีไม่พูดเพนะิรเจอร์ไม่เห่าเพิรเจอร์นะมีสีหมาตัวนี้ไม่เคยกินเหล้าเพราะไม่มีใครให้กินให้จะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่เคยกินอย่างน้อยมีศีสีข้อแล้วข้อสามประพฤติผิดในกามหรือเปล่าเนี่ไม่รู้ ยืนยัดไม่ได้หมาตัวนี้เวลาจะตายนะตายแปลกนอนตายอยู่ด้วยความรู้สึกตัวตาใสใสเลยนะตายอย่างสงบตายอย่างมีความสุขรู้สึกตัวตายเราก็รู้สึกห ม, มามันก็เก่งนะหมามีธรรมะหมารู้จักทาทานหมารักษาศีลหมาภาวนา <c oughs> <c oughs> จิตเป็นกุศล น, นะขนาดหม้ายังทำได้เลยต้องรีบขยันแล้วปะ เดี๋ยวสู้หมาเราไม่ได้เนตกุศล น, นะบางทีกระทั่งในสัตว์จิตที่เป็นกุศลก็ยังมนะีอย่างพวกพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เนี่ยรรก็สร้างบารมีทํากุศลได้แต่มันเป็นกุศลทั่วทั่วไปเรียกสาธารณกุศลไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานนะเป็นกุศลพื้นๆไม่สามารถทํากุศลใหญ่ในระดับการเจริญสติปัฏฐานนะนี่พวกเรามาหัด ไหนๆเป็นมนุษย์ทั้งทีถ้าเรายกระดับจิตใจของตัวเองมาทําสติปัฏฐานทำกุศลอันใหญ่ได้มีสติแต่ไม่ใช่สติรู้อะไรที่เป็นกุศลธรรมดามาเป็นสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจได้รู้ตื่นเบิกบานอยู่มีชีวิตคืนเดียวคุ้มค่าแล้วที่ได้เกิดมาหลายสิบปีนี้คุ้มค่าแล้วไม่เสียเปล่าแล้วที่ได้เกิดมาพวกเราที่มาฝึกกรรมฐาน วันไหนได้มีสติมีไหมรู้สึกตัวได้เรื่อยๆไม่รู้สึกยีิบสี่ชั่วโมงหรอกนะแต่รู้สึกเนืองๆในแต่ละวันวันเดียวชีวิตคุ้มค่าแล้วถ้าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องตกใจหรอกน้ําจะท่วมโลกก็ไม่เห็นแปลกอะไรสมัยก่อนน้ําทะเลนะขึ้นไปถึงนครสวรรค์ไม่เห็นแปลกอะไรเลยมันเคยอยู่ของมันแล้วมันจะกระชับพื้นที่ก็เรื่องของมันนะ uh huh. ใช่ไหมเขาเรียก ง, งั้นใช่ไหะ งั้เรามาใช้ชีวิตของเรานะแต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุดมีสติมีสติชีวิตคุ้มค่ารู้สึกตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวถึงตายนะก็ไม่น่าตำหนีตีเตียนตัวเองถ้าจําเป็นต้องตายชีวิตไม่ขัดทุ น, นแล้วคนที่แยกธาดแยกขันได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้รูปนาม เห็นขันมันแยกออกไปนะมันถึงรู้รูปนามได้ถ้าขันมันเป็นรวมกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเงี้ยมันดูรูปนามไม่ได้เป็นตัวเราหมดเลยเราก็ขันกระจายออกไปจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางร่างกายก็เห็นอีกเวทนาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวเราเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจเป็นเวทนาทางใจก็เห็นอีกนะ เวทนาะทางใจไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาะทางร่างกายไม่ใช่ใจนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งพอเวทนาเกิดขึ้นมายังมีความสุขเกิดมากๆราคาก็แทรกราคาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาะไม่ใช่จิตนะราคาก็เรียกสังขารขันอยู่ในสังขารขนันเวลาความทุกขเวทนาเกิดขึ้นโทสะก็แทรก อย่างใครหิวข้าวหิวข้าวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หิวข้าวเป็นทุกข์เห็นไหมหิวข้าวแล้วโกรธง่ายนึกออกไหมเวลามีความทุกข์ตัสะแท็กง่ายใครเคยได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่บ้างกล่องข้าวน้อยไม่เคยฆ่าใครไอ้คนที่กินข้าวในกล่องอะไรมันฆ่าแม่มันกล่องข้าวน้อยไม่เคยฆ่าใครหรอกเนี่ยใช้ภาษาวิบัตินะทําไมเราไปฆ่าแม่นะ เพราะมันหิวนะมันหิวเนี่ยโทสะเกิดง่ายเวลาเหนื่อยโทสะก็เกิดง่ายรู้สึกไหมนะเวลาไม่สบายก็หงุดหงิดง่ายนะงั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยโทสะมักจะแทรกนะถ้าดูเป็นเนะเราก็จะเห็นเลยว่าร่างกายก็ส่วนหนึง่งทุกขเวทนาก็ส่วนหนึ่งโทสะก็ส่วนหนึ่งจิตก็อีกส่วนหนึ่งนะคนละอันกัน มันจะเห็นเลยว่าโทสายเองก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยจะดูลงไปแต่ละขันแต่ละขันนะจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเริ่มแยกไปตั้งแต่แยกกายกับจิตจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวลาที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นร่างกายมันจะรู้สึกร่างกายนี่เป็นอะไรอย่างหนึ่งกลวง เหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนคูหานะเป็นเปลือกที่มีจิตอาศัยอยู่ภายในนะกลวงกลวงใครเคยเห็นร่างกายกลวงกลวงบ้างมีไหมยกมือซิครับเหมือนนี่เยอะแยะเลยนะใครเคยเห็นกระเป๋ากลวงกลวงบ้างนี่ยิงย่งเยอะกว่าเก่าอีกนะในยุคนี้นะยากจนยากจนกันทั่วหน้ายีนะ่สตินะยี่สติ ยามฝึกตัวเองแยกธัตุแยกขันไปก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีสติอยู่มีใจตั้งมั่นก็เห็นความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าแยกเป็นนะความทุกข์จะน้อยลงเยอะเลยกระทั่งความเจ็บป่วยก่อนหลวงพ่อบวชนะหลวงพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เวลามีประจำเดือนมีรอบเดือนอะไรเนี่ยโอ้ยปวดมากเลยทรมานแบบรุนแรง ต้องกินยามากๆเลยทรมานหลวงพ่อสอนให้เขาแยกธาตุแยกขันสอนลองดูไปสิร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจเป็นคนดูสอนอย่างนี้นะจริงสอนแยกธาตุแยกขันสอนมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วไม่ใช่ของใหม่นะแต่เพื่อดูเป็นคนคนคนไหนสอนได้ก็สอนคนไหนสอนไม่ได้ก็ไม่สอนหรอกคนไหนศีล5้ายังไม่มีก็สอนให้มีศีลห้าก่อน คนไหนเห็นแก่ตัวก็สอนให้ลดละความเห็นแก่ตัวันไหนฟุ้งซ่านก็สอนให้จิตฝึกให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบก่อนคนไหนจะเตินปัญญาได้แล้วก็มาดูแยกธาตุแยกขันธ์นี่ผู้หญิงตัวนี้แกก็ไปหัดแยกเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะร่างกายเป็นท้องท้องของแกอยู่ตรงนี้นะความเจ็บปวดเนี่ยแทรกอยู่ที่ท้องจิตเป็นคนดูไป ห, หัดแยกนี้นะปรากฏว่าแต่ก่อนเนี่ย ถึงคราวมีรอบเดือนนะทรมานกินยาเยอะเลยกลุ้มใจมากเครียดตั้งแต่ยังไม่ทันจะมาแล้วนะพอแยกเป็นนี่ยแกเห็นนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเฉยๆความเจ็บปวดนั้นไม่แปลกอะไรมากไม่มากเท่าที่เคยคิดไว้นะแต่เดิมนั้นนะจิตที่กลัวจิตที่กังวลนะไปขยายความรับรู้ในความเจ็บปวดเนีน่เกินความจริง ถ้าเราดูความเจ็บปวดตามที่มันเป็นนะมันพอทนไดนะ้อย่าว่าแต่แค่ปวดในรอบเดือนนี้บางคนเป็นมะเร็งนะพอแยกธาตุแยกขันเป็นได้ใช้มอร์ฟีนน้อยลงเยอะเลยนะไม่งั้นต้องใช้มอร์ฟีนตลอดเลยนะไม่ทันจะหายจากมะเร็งเพราะติดยาเสพติดไปเรียบร้อยแล้วนะทําไมคนเราเจ็บปวดมากมายเพราะใจไปขยายความเจ็บปวดให้เกินจริงนะถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นจริงๆเราเห็นร่างกายเจ็บปวด ความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูใจจะไม่ไปขยายความเจ็บปวดแต่ถ้าใจมันจะไม่สามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เวลาเจ็บปวดนะมันจะเข้ามาที่ใจด้วยแล้วยิ่งไปคอนเซนเทรตนะยิ่งไปสนใจที่ความเจ็บนะความเจ็บยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆรื่อยนะแล้วยิ่งกลุ่มใจนี่ยิ่งจดจอ่อสังเกตไหมเวลาอะไรที่ทําให้เรากังวลนี่เราจะสนใจมันมากกว่าปกติอย่างสมมติว่ายิ่งจบเข้ามาในบ้าน ใครกลัวจิ้งจกมัง้งมีไหมใครกลัวตุกกต๊กแกมีไหมตุ๊กแกตัวใหญ่หน่อยคนกลัวก็เยอะหน่อยใครกลัวจระเข้มอ้อยิ่งเยอะใหญ่ก็ตัวโ ต, วตวอย่างสมมติ่ตุ๊กแกมาอยู่ในบ้านในห้องนอนเรานะมันอยู่ในซอกตู้เราไม่เห็นนะกลัวไหมนอนหลับสบายเลยใช่ไม้มตุ๊กแกเราหลับแล้วตุ๊กแกมาโผล่มาเยี่ยมมาทักทายมาแลบลิ้นแผล บ, ลบใส ตาเหลืองตาโพลใชนะ่เราก็เฉยเฉยไม่กังวล น, นอนหลับสบายพะตุกแกร้องขึ้นสักครั้งเดียวนะหมดแล้วใช่ไหมนอนไม่ได้แล้วห้องนี้นอนไม่ได้นี่เราขยายขึ้นมานะด้วยความรู้สึกของเราเองขยายความวิตกกังวลขึ้นมาด้วยความรู้สึกของเราเองเวลาเราไปรู้สมมตเรามีผ้าสักถืนมีเสื้อสักตัวหนึ่งสวยงามหวงแหนที่สุดเลยเกิดมันเปื้อนอะไรสักนิดหนึ่งนะ สังเกตไหมเราจะมองที่รอยเปื้อนนั้นเสื้อทั้งตัวที่แสนสวยเราไม่ดูแลจะดูแต่รอยเปื้อนรอยเปื้อนนี่จะโตขึ้นเรื่อยๆตัวในความรู้สึกของเรานะเห็นเราเครียดมีคนหนึ่งนะไปซื้อมือถือใหม่มาแล้วจอมันเนี่ยมีจุดดําๆอยู่ข้างล่างนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวมองแทบไม่เห็นเลยไอ้ทั้งเครื่องไม่ค่อยดูนะถ้าดูแนละ้วไม่ไม่กลุ่มใจนะถ้าไปดูแต่ตรงเนี้ยกลุ่มใจจิตมันไปสนใจนะ ถ้าจิตสนใจอะไรจิตจะเวียนย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่นั้นอะเวลาร่างกายเจ็บปวดก็เหมือนกันนะจิตจะย้ำคิดย้ำทำเวียนดูแต่ความเจ็บปวดอะถ้าถ้าหันมาดูจิตดูใจนะความเจ็บปวดนั้นเหลือเล็กๆนะไม่มากหรอกนี่เราไปขยายมันขึ้นมาเองเห็นไหมหัดแยกธาตุแยกขันให้เป็นนะกระทั่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยตัวเองได้เยอะเลยมันจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายมันจะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจ งี้พวกเรามาหัดนะค่อยๆฝึกไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทางใจจิตใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกที่เป็นกุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหล่งเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาทางใจจิตใจเป็นคนดู นีหันแยกอย่างนี้นะจะไม่โกรมากด้วยจะไม่เจ็บมากด้วยจะไม่โกรธมากด้วยนะจะดีชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยพึ่งยาน้อยลงอย่างน้อยก็พึ่งจิตแพทย์น้อยลงนะจิตแพทย์หากินยากในเมืองไทยนะคนไม่ค่อยยกย่องเท่าไหร่เพราะคนไทยแต่เดิมเนี่ยไม่เครียดมากถ้าเครียดเราก็ไปหาพระใช่ไหมพระก็รักษาโรคด้วยการรดน้ำมนต์สบายใจ สบายใจแล้วก็เบิกบานใจพอเบิกบานใจก็ไม่มาคอนเซนเทรตอยู่ที่ความเจ็บปวดมากละมันเหลือแต่เจ็บธรรมดาธรรมดารู้สึกโอ้ยหลวงพ่ออนี้ขลังสุดๆเลยลดน้ำมนะันนักหายเจ็บไปเยอะเลยเหลือนิดเดียวความจริงอะ่ะเป็นขยายของมันขยายความเจ็บปวดขึ้นมาเองนะพอพระลดน้ํำมนให้สบายใจทุเ ล, เ, เลาไปเยอะเลยเบาไปเยอะเลยใครเคยรู้สึกงั้นมัน้งมีไหม ไปลดน้ำมหมดแล้วรู้สึกสบายใจหายป่ว ย, ย, วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ความจริงนะพระอาจจะเอาน้ำคลองมาลดได้นี่ขลังนะเนี่ยขลังหายป่วยเหมือนกันนะหายป่วยได้เหมือนกันแต่ถามว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมหลวงปู่ดูลบอกมีนะหลวงปู่ดูลบอกมีนะมันคือพลังงานของจิตจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่จัดระเบียบแล้วมันเกิดพลังงานอย่างวัตถุเนี่ย แม่เหล็กเนะี่ยมันก็ทํามาจากเหล็กใช่ไหมแต่พอโมเลกุลของมันเรียงเป็นระเบียบมันเกิดพลังจิตนี่เหมือนกันนะจิตเกิดดับเป็นขนาดเหมือนโมเลกุลแต่ละตัวแต่ถ้ามันเกิดดับแต่อย่างมีระเบียบนะีมันจะมีพลังนะจะเกิดพลังงานเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะเป็นไปได้อย่างรดน้ํามนอาจจะมีความสุขทางจิตวิทยานะอาจจะขจัดโรคบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะ สมัยพุทธกาลท่านก็ให้พระอนุนไปรดน้ำมนต์ก็มีลดนะน้ามนต์มันเป็นเรื่องพลังงานนะพลังงานของจิตเดี๋ยวนี้เขาถ่ายออ ร, ร่าได้ด้วยน้ำมนต์อะเอาน้ําธรรมดากับ น, น้ามนต์ไปถ่ายออ ร, ร่านะแสงไม่เหมือนกันแล้วน้ามนต์ที่คุณภาพสูงกับน้ามนต์คุณภาพต่ำนะแสงก็ไม่เท่ากันนะมีเรื่องของพลังงานซึ่งวัดได้แล้วเดี๋ยวนี้เริ่มวัดได้แล้ว ต่อไปเราคงมีพลังงานของจิตนะถ้าพวกเราฝึกให้ดีเราเรียงโมเลกุลคือเรียงจิตเราแต่ละดวงให้เรียงเป็นระเบียบนะจิตเรามีพลังต่อไปเราอาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยลงอา้าวอย่าหัวเราะนะเรื่องจริงนะพระวัดหลวงพ่อใช้ไฟฟ้าน้อยนะว่ามีสติกุฏิมืดๆก็ไม่เดินชนอะไรไม่ต้องใช้อะไรมากยกเว้นจะอ่านหนังสืออะไรค่อยเปิดเดินในกุฏิไม่คยชนอะไรหรอก เนี่ยจิตเรามีพลังงานมากนะมันเรียงตัวดีอย่างพวกเราอยู่บ้านเนี่ยเคยไหมเดินเตะน้อนเตะนี่ ท, ท, ทั้งที่เปิดไฟเปิดทําไมเ ส, เสียเงินเปล่เปล่าเปิดแล้วก็ยังเดินเตะน้อนเตะนี่อยู่ดีแหละเพราะจิตเราไม่มีพลังเลยจิตไม่เรียงตัวให้เรียบร้อยนั้นเรามาฝึกปฏิบัตินะการใช้ชีวิตทางโลกก็จะมีความสุขความสบายขึ้นการปฏิบัติธรรมก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุข มันจะเต็มอิ่มแล้วมันจะเริ่มรู้สึกนะว่าเป็นบุญแล้วล่ะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบุญแล้วล่ะได้เกิดเจอพระพุทธศาสนาเป็นบุญแล้วที่ได้ฟังธรรมเป็นบุญแล้วที่ได้ปฏิบัติธรรมนะถึงมีชีวิตอยู่คืนเดียวก็คุ้มค่าแล้วน้ําจะท่วมโลกวันพรุ่งนี้ก็เรื่องของน้ำํำละวันนี้ชีวิตเราพอสมควรแล้วสมมุติว่าน้ําจะท่วมตายพรุ่งนี้นะไม่เสียดายวันนี้ได้ใช้ประโยชน์ของชีวิตได้เต็มที่แล้ว พวกเราลองสำรวจใจของเราซิว่าถ้าเราต้องตายตอนนี้ตายวันนี้เราจะเสียใจไหมมีอะไรต้องเสียใจไหมนะลองสำรวจดูนะถ้ายังมีอะไรต้องเสียใจอยู่รีบพัฒนาใจซะ ใ, ใจยังพัฒนาไม่พอยงนะยังด้อยพัฒนาอยู่แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าจะตายวันนี้ก็เต็มอิ่มแล้วนะอิ่ม อ, อกอิ่มใจมีชีวิตอยู่อย่างอิ่ม อ, อกอิ่มใจเวลาตายก็จะตายอย่างอิ่ม อ, อกอิ่มใจนะ เมื่เรามาสำรวจใจของเราถ้ายังไม่พอเราก็มาพัฒนาใจพัฒนาด้วยศีลพัฒนาด้วยสมาธิพัฒนาด้วยปัญญาหันแยกธาตุแยกขันไปนะถ้าฝึกไปเรื่อยชีวิตเต็มอิ่มชีวิตสมบูรณนะ์อะไรจะเกิดขึ้นไม่สำคัญนะสิ่งที่สำคัญนั้นเราได้ทำแล้วนะสิ่งเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไปหมดเลยพวกเรามีบุญนะเราเป็นชาวพุทธเราได้ฟังธรรมะ อยู่ที่เราจะพัฒนาจิตของเราให้ได้ขนาดไหนถ้าพัฒนาแล้วอยู่ในโลกก็มีความสุขชีวิตในทางธรรมทางจิตปัญญาเนี้ยพัฒนาขึ้นไปไม่เสียโอกาสการเดินทางในสังสารวัฏยาวไกลได้ลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยคุ้มค่าสังสารวัฏจะสั้นลงภาวานาไปเราจะรู้สึกเหมือนเรากลับบ้านเราใกล้บ้านของเราเข้าไปทุกที่แล้ว ทุกวันนี้เรามีชีวิตร่อนเร่ร่อนเร่ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏนะอยู่ไปอย่างนั้นเองไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายแต่เราลงมือปฏิบัติรรมเรารู้เลยว่าพ่อแม่ของเรามีนะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าบ้านของเรามีคือพระนิพพานนะเราภาวนาก็าเราจะได้กลับบ้านนะไปเจอพ่อเจอแม่เจอพี่เจอน้องเรานะชีวิตจะอบ อ, อุ่นนะไม่ว่าเบะไม่เงียบเหงาเหมือนที่คนในโลกเขาเงียบเหงากันหรอกคุ้มค่าที่สุดเลย พักเพียนเข้านะคนไหนไม่มีศีลก็รักษาศีลซะคนไหนไม่เคยมาดูจิตดูใจก็มาหัดดูจิตดูใจจิตใจจะได้สงบขึ้นมาจิตใจจะได้ตั้งมั่นขึ้นมา <quarters> คนไหนไม่เดินปัญญาไม่เคยเดินปัญญามาหัดแยกกายแยกใจพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะดูจิตไปเรื่อยจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนะี่ยก็มาแยกกายแยกใจไปเรื่อยจะได้ปัญญาขึ้นมาชีวิตก็จะคุ้มค่าเชิญไปทานข้าว นิมหมเลยครับนี่หมด